ประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทปาโมทโชรวบรวมโดยสุรพลสายพาณิชย์และคณะจัดทาเป็นหนังสือเสียงในระบบเดซี่เอ็นซีซโอลี่โดยห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2552จำนวน637หน้าอ่านโดยปียมาศเปาอิน